เบริกรรมพุโทโธเพื่อรู้ทันใจเราพุโทโธแล้วคอยรู้ทันใจของเราไม่ใช่พุโทโธให้ใจนิ่งนะพุโทโธแล้วดูใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพุโทโธเป็นชื่อของจิตจิตนั่นแหละคือพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราท่องคําว่าพุโทโธพุธโทโธเป็นเหยื่อตกปลานะจิตจริงๆนั่นแหละคือตัวปลาฉะนั้นพุโทโธเอาไว้ใจหนีไปคิดก็รู้ใจสงบใจฟุ้งซ่านให้คอยรู้ใจที่เปลี่ยนแปลงนะ แต่ถ้าท่องพุทธโธแล้วใจซึมๆมไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้